ผู้ทัวร์สวัสดีค่ะท่านฟังกับรายการนี้รายการสรรณีสนทนามาพบกับท่านใน แล้วก็เป็นคําสอนที่ถ่ายทอดกันเรื่อยมาถึง FM 106 ครอบครัวข่าวนี้ นมัสการนะท่านคะเจ้าบ้านค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณโยมถึงพูดถึงการเป็นที่พึ่งมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นที่พึ่งวันนี้คิดว่า นะเกาะเหมือนสมมุติเราเราลองคุณจำสิลองนึกภาพแบบเราลอยอยู่กลางทะเลตุ๊บป่องตุ๊บป่องอยู่อ่าดิฉัน ว่าท่านไภบูรณ์พูดเนี่ยมี 2 เกาะนะ มั่ยถึงยังไงหมายถึงว่าบางทีเวลาเวลาเราสับสนนี่ฉันจะทํายังไงกับชีวิตฉันดี นั่นก็คือลักษณะเดียวกันหรือลูกเด็กเล็กๆเราก็ ใช้พระพุทธพระธรรมนะพระพุทธพระธรรมพระแล้วยังไงต่อคือพึ่งแล้วไม่ใช่หมายความว่าเอิ่มไม่มีอะไรนะขอพระขอยืมนะพระพุทธเจ้าให้ นะซึ่งเป็นคถาหนึ่งที่พระเจ้าตรัสไว้บอกว่าใช้พระพุทธพระ จะต้องการให้พระพุทธรูปนี้เป็นของเรามันก็จะมีปัญหาอย่างครับก็ประเภทอ่าเท่าพระขายพระเครื่องแล้วก็มันก็ทุกข์ในการอ่าดํารง ปะติสุขหรือสุขสบายไปวัดเงินไม่ค่อยมีไปขอพระอาคมไม่ได้ไปขอตังค์พระนะคะเนี่ยหาเงินคล่องว่าไม่รู้กวนแล้วเนี่ยหาเงินคล่องหรือ ถือว่าไปวัดไปด้วยแล้วก็ไปสวดมนต์บางบทก็เป็นที่พึ่งอันอืมอย่างนี้ถือว่าถูกต้องมั้ยคะเป็นสรณะมั้ย มันไม่ใช่ซะนะมันเอากิเลสไปอวดกันคุณไปวัดคุณเอากิเลสไปอวดไปโชว์มันไม่ถูกไปวัดคุณควรจะต้องลดกิเลสนะ 2 อันนี้ในประเด็นที่ต้องอาจจะไปขอพระที่พึ่งพระอะไรอย่างใด <Okay. S> 1 ก็คือ<ท> ประโยคที่ 2 ก็คือว่าถ้าใครจะได้อะไรด้วยการเพียงขอเอาเนี่ยก็ ถ้ามันจะสําเร็จได้ด้วยการเพียงขอเอาก็จะไม่มี ในการที่คุณรู้จักการบริหารจ่ายทรัพย์อย่างดีคุณคบเพื่อนชั่วหรือเปล่าคุณเหเห 2 เหมือนกันซึ่งอันนี้ เอ่อสละอกุศลเพื่อให้มีกุศลธรรมเกิดขึ้นได้ทําเพียงนี้ดีกว่าอืม กิเลสลดลงอ้าวนั่นสารณะนี่อ่าคุณใจที่พึ่งที่ถูกต้องแล้วว่างั้นค่ะอืมนะครับที่นิ่งๆอยู่ ซึ่งท่านยึดเอาเป็นที่ ดังนั้นถ้าเราเอา 2 คำนี้มาปนกันเราจะเริ่มงงๆนิด ถ้าสมมุติมีใครมาด่าพระเจ้าด่าพระสงฆ์ที่เราหรือมีใครมาทําร้ายพระพุทธศาสนาเค้าไปเอาพระพุทธรูปถ้าคุณมีความยึดถือนะนี้แสดงว่าคุณมีอุปทานนะแต่ถ้าคุณใช้พระพุทธเจ้าเป็นสรณะใช้พระธรรมเป็นสรณะใช้พระทุกนาทีละเล่าออกอยู่ทุกวินาทีละเล่าออกอยู่ อะไรมันจะมากระเทือนจิตคุณมันยากมาก น่ะไม่ใช่ยึดเป็นที่พึ่งนะอย่ามาและ โอ้ยถึงสบายใจมากสี่อ่าสรุปที่ฉันว่าเท่ากับว่าที่ได้กลับ เป็นนามก็ถ้าเป็นเรื่องมนุษย์มนุษย์ธรรมดาไขว่หาที่ไม่ใช่ว่า อ่าอันนี้เพิ่งบางทีเรียกว่าพึ่งเป็นสารณะถูกมั้ยคะ ไม่เห็นอริยสัจ 4 ถูกต้องนะคะท่านฟังก็ลองเอาไปใช้ในชีวิตประจําๆกับเรื่องพวก เอ่อธรรมะเนี่ยมีลักษณะเป็นโอปนะยิโกคือสามารถน้อมเข้ามารุ่นๆแต่ถ้าๆที่เกิดขึ้น ถูกต้องถูกต้องนะคะค่ะดิฉันก็ต้องการคํายืนยันท่านเนี่ยค่ะเพราะเวลาจะหมดจะได้ๆบทเดียวเนี่ยใช้ได้ตลอดชีวิตนะคะเพราะ ทรัพย์มหาศาลอริยทรัพย์ในทางอุดรธานีงานกระทิงเลิกไปเดี๋ยวท่าน อ่ะท่านก็สามารถจะได้รับข้อมูลเหล่านี้ค้นเป็นภาษาไทยขึ้นไปเลยกับๆในก็นัดมาพบกัน